อย่างสกอาระอย่งางคาระละอย่างสารคารุกตนท่องตนเกศปุยใหญ่เป็นมงคลนั้นเลิศวันนี้หากจึงเป็นก่อนเคยเป็นสิเยรุสิท่านจะไปจำพรรษาหรืไปอบรมพ่อปฏิบัติพอสมควรบันนี้ทน<ไ>ประจระัดไปหมันลายพรรษ า, าแล้ว พึงมาพบทันษานี้อาจมาม่เป็นมีเรืเ่องไม่สบายสุขภาพไม่แข็งแรงที่นั้นจึงหลบมาอยู่บกบุญภูขเขานี้เพื่อได้รับอากาศบริสุทธ์ตัดทันษารทฉะนั้นยากโยง สารในจิตตรไหังหยเยี่ยมก็ไม่ได้ทดลองจิตตาอย่างถึงที่เพราะว่าเสียงมันก็จะหมดล้วลมมันก็จะหมดน้อยอันยินเป็นบุญปพราะญาติโยมท่านไหนมาเห็นตัวเห็นตนนั่ ง, งนี่ดีแล้วต่อไปมันจะไม่เห็นแบบลมมันก็จะหมดเสียงไปจะหมดมันหมด มันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของสังขารทีพระภูมิมีพระพาสันสอนว่าไหยะไหยังในความชิ้นไปเสื่อมไปแห่งสังขารเสื่อมไปรวยยัง ไ, ไงเนอะเปรียบในความเนื้นมัอนข้อนมันแข็งแต่ก่อนมันเป็นน้งเข้ามาทำในมันเป็นก้อน แต่มันก็ไม่อยู่สักกี่วันแบบมันก็จะเสื่อมไปแล้วกอนนังแข็งใหญ่ๆเขาเทปไปวางทางแก้งจะดูความเสื่อมของก้อนนังแข็งขโมยช้งางขาเนี่ยในนานนังแข็งมันเป็นพ่อมันก็เสื่อมไปทีละน้อยแตน้อยแตน้อยไม่กี่นาทีกี่ชั่วโมงกองนนังแข็งก็หมดมันละลายเป็นน้ำไปนี่เป็ไยัไวยัง ความชิ้นไปความเสื่อมไปแห่งสังขารเราทั้งหลายเกิดมาตั้งแต่นานแล้วสร้างโลกนีมาสร้งแจวันเกิดมาแล้วเราเก็บเอาสิ่งเหล่านี้มาด้วยไม่ใช่ว่าเราสิ่งมันไปที่ไหนแล้วเราเก็บเอาความแก่ความเกิดแล้วกเก็บเอาความแก่แล้วกเก็บเอาความเความตายไปพร้อมกันดังนั้น องสงเดชเทวจันมาสัมพุทธเจ้าตัณกสาว่าไยยักษ์ยังความสิ้นไปเสื่อมไปทั้งหมดเรานั่งอยู่บนศาลานี่นะทั้งหมดทางพระทางเนนทางอุวาสุกอุวาติกานี่มีก้อนเสื่อมนั้นนี่ยีก้อนแข็งไม่ใช่เนี่ก้อนแข็งแต่กอนมันเป็นน้ำนั่นอืมมันเป็นก้อนแข็งแล้วมันก็เสื่อมไปอืเห็นความเสื่อมมนนะ รูอาการพี่มันเสืออ่อมจร่งร่างกายของเรามีทุกสว่นสวนเสื่อมผมมันก็เสืออ่อมไปขนมันก็เสืออ่อมไปเล็บมันก็เสืออ่อมไปหนังมันก็เสืออ่อมไปอะไรทุกดังมันเสือ่อมเสืออ่อมไปตรงนี้แหละญาติโยมทุกคนเมื่อทางแรกคงจะไม่เป็นอย่างนี้หนึ่งนะคงจะมีตัวเด็กตัวนี้ น, นี่มันโตขึ้นมานี่แล้วมันเจริญขึ้นมาต่อไปนี่มันควรจะเสื่อมเสื่อมไปตามธรรมชาตินั้นเสื่อมไปเหมือนก้อนน้ำแข็งเสื่อมไปเสื่อมไปประมุดก้อนน้นแข็งมันก็ตายเป็นน้ําเรานี่ของมันกันทุกคนมีดินมีน้ํามีไฟมีลมเมืม่อมีตัวตนประกอบกันอยู่ธาตุสีดินน้ําไฟลมสั้งขึ้นอยู่หมดทน แต่เริไม่รู้ว่าเป็นนายเราอยากจเป็นคนเราปรีบอบรีใจนม่ว่าเราเป็นคนอืเป็นคนผู้ชายเป็นคนผู้หญิงอืสมมติชื่อไงนายนั่นนาม น, นี้ตามเรื่องเพื่อจะเรียกตามภาษาของเราเพื่อจะจำ ง, งา่ายใช่การงานงาน่ายแต่ความเป็นจริงก็ไม่เอาลายเอาดินเงินเอาน้ำ อาลมนำมาคุมกันค่ะเป็นรูปสิ่งที่เป็นมาถูกกัเป็นลูกสิ่งไม่เป็นมาถูมกมากกวเป็นนา้ำเกี่ยวกับคนโยมอย่าเพิ่งดีใจนะดูไปดูมามันมีคนอกนะบีบส่วนหนึ่งน้ําส่วนหนึ่งรมส่วนหนึ่งไฟส่วนหนึ่งไอสิ่งที่มันเคลื่อนแข็ง เนื้อสดหนังกระดูกทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นดินอาการที่มันเหลวเลยตามสภ า, าพร่างกายน่ของตินอาการที่มันโขดขุนอยู่ในร่างกายของเรานีอย่าดดินนะ้ไปอาการที่มันพัดไปมาอยู่ย้วยลมในร่างกายของเราี้ อารมพัดขึ้นเมืองบนพัดลงเมือตาำมีเดียกว่อารมณ์ท่านสีประการนี้มาคุมกันห้าเรียกว่าคน <c oughs> เรีกว่าคนคนก็เีเป็นผู้หญิงผู้ชายอีกมีเครื่องหมายตามสมมุติของเราแตอยู่วัดป่าพงมันู้ไม่มีผู้หญิงผู้ชาย เป็นนักปูนสตกการิมนมาเจกิติริมนมาเจตพงศ์คือซากศพที่เขาเอาเนื้อออกหมดแล้วเอาหนังออกแล้วแล้วจะซากกระดูกโครงแขวนวันไปดูก็ามาเห็น น, น, หรร น, น, นี่เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายใครสถานแบบนี้เป็นผู้หญิงที่มองหน้ากันมันมีแต่โครงกระดูกเท่านั้นอืมนะออกแล้วหรือจะโครงกระดูกเมื่อนังออกหุดแล้วนั่นเลยบทโครงกระดูก ไม่รู้พวกเราทั้งหลายสมารู้ทุกๆคนไปวัดประพงศ์ก็ไปรวมก็ไปในสระก็ไปดูโครงกันบางคนดูไม่ได้วิ่งออกจากสระกลัวกลัวกลัวเจ้าของอันนั้นเข้าใจว่าไม่ไปเห็นตัวเราเองสักทีไม่เคยเห็นไปกลัวกระดูก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 นอนบอกอันเดียกันไม่เคยเห็นกัรไม่เเห็นงกระดูกมีสแสดงว่าเราลืมหลไม่เห็นพอแก่แล้วห้าสิบปีหกสิบปีเจ็ดสิบปีแต่นรมักตามรัฐธรรมนูญมาโครงเห็นโครงกระดูกตัวนี่อะไรกัรรนลูกแสดงว่าเราคุ้นเคยเลยไม่รู้จักตัวของเราเลย หลัไปบ้านก็ยังนอนไมดับอยู่สามวันสี่วันแต่ก็นอนกับโครงกระดูกก็แล้วไม่นช่นอนที่อื่นแบบห่มผ้าผืนเดียวกันอะไรอะไรด้วยกันนั่งโบดีโพกข้าวด้วยกันแต่ว่าตัวตัวนี่แสดงว่าเราห่างเหินจากตัวเรามากที่สุดน่าสงสารไปดูแต่ยังอื่นไปดูแต่เศษต้นไม้ไปดูแต่วัตถุอื่น ว่าอันนั้นโตอันนั้นชั้นมันเล็กอันนั้นมันสั้นอันนั้นมันยาวนี่ไปดูจากของอื่นๆว pues ัตถุกนอกจากตัวของเราไม่เคยมองดูตัวของเราเลยนี่ครับพระดวงพูดแต่เาหน้าสงสารมุดเป็นตันดังนั้นคนเราที่ขาดที่พึ่งขาดที่พึ่งเพื่อไม่เคยเห็นอารมะต้เคยบวชน้าสง้ารมาก เสาวมาณธาตันตาทะโยนักศึกษาคงนึกว่าหัวเราะว่าที่ท่านอาจารย์เอาอะไรมาสอนมีไหมเอาผมที่มันมีอยู่แล้วมาสอนไม่อสอนแลวผมจักเอาของที่รู้จักอย่างมาสอนใครก็รู้มีใจใจสอนงไปทาไมมีความหมายอะไรเมื่อเกิดมาเรารู้ว่าผมมันมีอยู่แล้ว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 เราความทำไมหมกหมอยู่ในบุโลกอันนี้ถ้ากินทางความเป็นจริงขมขนเล็ดฟันหนังเป็นยังไงตางความเป็นจริงเป็นยังไงไห ม, มเป็นของสวยไหมเป็นของสะอาดไหมเป็นของมีแ่มสารไหมไม่มีอะไรเป็นของเที่ยงแต่เราคอยใจว่าไอ้ของ ของไม่สวยนั่น่ไปสำคัญว่ามันสวยของไม่จริงไปสำคัญว่ามันจริงอย่างเจสาโลมานะาสตันตาตะโยคุกมคนนะคนเรามันก็ไปติดอยู่นี่พระพุทธองค์ันยอกมาทั้งห้าประการนี้เป็นมูมลกรรมาฐาน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 เงืออาไปไหลไปนั่งทา ง, งานรวมไปดิมันเอาสิมันนน่ถ้าไปบ้านไปอาบน้ำเอาสบู่มาสูอา่ออกหายไปนิดหนึ่งมันก็หอมสบู่ขึ้นมาในตัวมินมันก็มินี่อย่างเดิมมันนั่นแหะมัากก ข, ขึ้นมาท่านเลยปิ้นสบู่มันผมไว้ผมไว้เมื่อวสบู่กับตมินารเคยนี่อันนี้เรามาไปเห็น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 ใจของเราเป็นปิดพึ้นจริงๆทาง่านนี้ทางความดีเป็นปิดพื้นเวลาลนี้มันเป็นที่อาศัยนกที่ราบมันต้มาอาศัยอยู่ตุ๊กแกมันต้มาอาศัยอยู่จริงเหรอมันมาอาศัยอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างมันมาอาศัยอยู่ได้เราด้วยว่าของเรามันไม่ใจของเราหรอกมันอยู่โดนการ นหนูมันออกมาอยู่สธธรารพัดอย่างนี่นี่เรียกว่าที่อาศัยเจาะขาเลี้ยงตนนี้ไป น, นะเลี้ยงตนนี้ไปจากนี้เราต้นึกว่าอันนี้เป็นที่เป็นที่พึ้นของเราอืมนี่เป็นที่พึ้นของเราอืมคนมีบ้านหลังเล็กเล็กเพราเป็นทุกข์เพราะบ้านเรามันเล็กเข้าใจอย่างนั้น มีบ้านนัำให้ยายพอเป็นทุกข์เพราะกวาดไม่ไหวตอนเช้าก็บุญตอนเย็นก็บูญใครจับอะไรวางตอนนั้นก็ทิ้งคนนั้นคนนี้ไม่เคยช่วยเก็บคุณหญิงคุณยายเนี่ยมันจะเป็นโรคประสาทคนที่ฉลาดกตัวทุกข์แค่นั้นพระพุทธเจ้าองค์ท่านจึงสอนว่าหาที่พึ่งคือหาใจของเราใจของเราเป็นสิ่งที่สัมพัน โดยมากคนเราไม่เคยมองดูในสิ่งที่สําคัญไปมองดูที่อื่นที่ไม่ไม่สําคัญไปทําที่อื่นให้มันสําคัญเป็นคนว่าไอ้ปวดบ้านมุ่งความสะอาดล้างจานเขามุ่งความสะอืมทุกสิ่งทุกอย่างมุ่งความสะแต่ใจใจจะหองมื่อไห่มุ่งอืมล้างจานล้างถ้วยให้มันสะอาด แก่ใจเรามันเน่าบางทีก็โกรธหน้าดูดบูดหน้าบุ้งอยู่นั่นแหละก็ไปงูอย่างอไอ้จานมันสาดใจใของเราไม่สะอาดเท่าไรก็ไม่มองดูนี่เราขาดที่พึ่งของเราเอาแต่ที่อาศายัยแต่งบ้านแต่งช่องแต่งไในสั้งหลายพักอย่างให้มันสวยงามแต่ใจของเราไม่เคยจะแต่งเลยทุกข์ไม่เคยจะมองดูมัน ใจนี่แหละเป็นสิ่งที่สำคัญฉะนั้นพระพุทธองค์กันจึงว่าให้หาที่พึ่งทางใจอืมอัตโนโจทยตานังตนแตกเป็นที่พึ่งของตนคนอื่นใครจะเป็นที่พึ่งได้ธรรมที่ว่าเป็นที่พึ่งที่แน่นอนก็คือใจของเราเองไม่ใช่จึงพึ่งจริงๆก็พึ่งได้แต่ไม่ใช่ของแน่นอนเราจะพึ่งจริงๆได้ก็เพราะเราสืบตัวของเรา เราต้องมีที่พึ่งก่อนจะพึ่งครูจะพึ่งอาจารย์จะพึ่งญาติพี่สายทั้งหลายเป็นต้นจะพึ่งไ ด, ด้ดีนั่นเพราะเราตั้งทำตัวเป็นเดียพึ่งของเราสะทอนแทนไปขอพึ่งคนอื่นดังนั้นวันนี้ที่มาตรานมัสการทั้งเครือข่ายเจวันประิดทั้งหลายนี้ขอให้รับโอวาทนี้ไปพินิจิจารณาเล่าทุกคนนี้ให้นึกเสมอว่า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 เป็นคนโตมันก็ทุกทุกหมดทุกอย่าง ừ, เพราะอะไรเพราะว่ามันขาดปัญญาขาดปัญญา ừ, เป็นคนจนก็ทุกเพราะมันจนเป็นคนรวยก็ทุกเพราะมันรวยหลายของมากมากภาษาคนเดียวในสมัยโบราณอาจามาเคยเป็นสมนเนิเทศอะไรอะไรให้ยงฟัง ไอ้ครูบาอาจารย์ไอ้เพศพูดถึงการร่นนำรวยของปกชาติอคนเราเกิดมาให้รล่ำรวยอให้มีทาสก็ร้อยหนึง่งผู้หญิงก็ร้อยหนึง่งผู้ชายก็ร้อยหนึง่งมีช้างก็ร้อยหนึง่งมีวัวก็ร้อยหนึง่งมีควายก็ร้อยหนึง่งไม่ไปสิง์ก็ร้อยร้อยเท่นั้นแหละอยาตกยูฟังกสบายใจ ให้โยมไปเลี้ยงวัวสักร้อยนึงเอาไหมเอาควายร้อยหนึ่งเอ า, เอาวัวร้อยหนึ่งเอาพาดผู้หญิงร้อยหนึ่ ง, เอ า, า ง, องเอาผู้ชายร้อยหนึ่งให้โยมรักษาคนเดียวจะดีไนหะมนี่เราไ ม, ไม่ไม่คิดดูแต่ความอยากให้เอนมีวัวสักร้อยหนึ่งมีควายร้อยหนึ่งมีช้าง ร, องารองลล้อยนึงมีม้าร้อยห่งจริงล้วร้อกร้อยนั่งฟั ง, งกับู้อิม่มใจเรื่อยๆเง่อมสบายนะ อาตอมาเห็นว่าได้ห้าติดตัวก็พอแล้วอเขี้ฟังเชือกบนถน น, นเต็มทีซะแล้ว อ, อันนี้โยมไม่คิดๆก็ได้ไม่คิดถึงมันจิยากมันไปคิดเกี่ยวถึงมันมันบาอปทิ้งทั้งหลายที่มีอยู่ในตัวเรานี่นะถ้าเราไม่มีปัญญานี่ยนำให้เราทุกข์นะถ้าเรามีปัญญาเนะี่ยทํอมาออกจากทุกข์จ้กตาหูจมูกลิ้นกายใจ ตาเนี่ยมาใจของดีเหมือนกันนะถ้าเราใจไม่ดีนะ Merry ไปมองดูคนบางคนไปเกลียดเขาอีกแล้วมันนอนเป็นทุกข์อยู่แล้วไปมองดูคนบางคนเนี่รักเขาอีกแค่แล้วรักก็เป็นทุกข์อีกแคแล้วมันไม่ได้เกิดทุกเป็นทุกข์เบียดก็เป็นทุกข์รักก็เป็นทุกข์มันอยากได้อยากได้ก็เป็นทุกข์ไม่อยากได้ก็เป็นทุกข์อยากทิ่งมันไปที่มันไม่ชอบใจที่ท้องที่ไม่ชอบใจเราได้มามันก็เป็นทุกข์ อของชอดใจใดมาแล้วกลัวมันจะหายอีกเลยมันก็ไปทุกทั้งนั้นเนะี่ไม่รู้ว่าเราจะไปอยู่ยังไงบ้านนั้งใหญ่ๆขนาดนี้เ น, นี่ยคนคิดว่าจะให้มันสบายขึ้นจะเก็บความสบายเก็บความดีทําไว้ในี่ยคิดขึ้นไปทีละถ้าเราคิดไม่ดีมันก็ไปไม่ได้ทั้งนั้นแหละอย่างนั้นญาติโยมทั้งหลายจึงมองดูตัวพวงเราเร า, เราเกิดมาทําไมเราเคยได้อะไรบอกใบ้ไหม อาจมาเคยรวมคนแก่นักตั้งแอายุแปดสิบขึ้นไปแล้วแต่อยู่ในรห ย, ย่านหนึ่งเอาคนแก่มารวมกันโยงเกิดมาเท่ายแต่ง ร, รวมกันอาชีพทำนาตามบ้านนอกของเร า, า, าทำมาตั้งแต่นู้งเกิดมาสิบเจดสิบแปดปีก็รีบแต่งงานแค่รวมมันจะไม่รว้ทำงานถึงเด็กเด็เกนี่ให้มัน ไ, ไม่รวยทำมาทำมาจนแปดสิบปีก็มี เก้าสิบปีมีเจ็ดสิบปีมีหมดมันน่าอยู่มาฟังธรรมมาทำโยมเจ้าอะไรไปไหมนี่เกิดมาปรมาทาอยู่นีเนี่ยผลที่สุดจะไปจะได้อะไรไปไหมใครจะตั้งใจอะไรไหมที่มันจะได้ไม่มีใครตอบใครยาวอะไรไปนะไม่รู้จักตอบได้บ่ยังว่ายังว่า จังหวะเนี่ยมีภาษาคนวากินบังหว่าหม้อมันคว่ำบังหว่ามันพิซ่าคั่งจังว่านแร่จังวานแร่ไคตัวมาไฟที่อยู่ตัวมอยู่หรือจังหว่าตกลงในจังหว่าจังว่านั่งงาอยู่นั่นแหละนั่งอยู่ตรงนี้อยู่คาคบไม่ไปที่ไหนเลแหแก่มาก็ยิ่งยุ่แลด็กไปอยู่ไฟเป็นเซนนุ่ม ลูกเกิดขึ้นมาต่อเห็นว่ามันตัวเล็กตัเข้าใจว่าครั้งแรกมันอยู่คนเดียวเป็นโสดไม่สบายนะหาคู่มาครองเดือนมันจะสบายมะมก็หาคู่มาครองเดือนเดี๋ยวสบา ย, าาา น, ย, ะบายนะเอาของสองอย่างมาด้วยกันมันก็กระทบกันอีกแล้วอยู่คนเดียวมันเนี้ยเกินไปมันไม่สบายเอาคนสองคนมาอยู่ใกล้กันมันกระทบะกักกกกกนอีกแล้วก็แกะก็แกะก็แกะกันละเนี่ย ลูกเกิดมาครั้งแรกมันตัวนิมิตพ่อแม่พอตั้งใจว่าเออมันโตมาเราจะสบายหรอกนี่ออืมเรียังมันไปเยอะเจริญาองคนสี่คนห้าคนนี่แต่เรียกนี่ว่ามันโตมันจะสบายเมื่อมันโตมาแล้วมันยิ่งหนักเลยหมือนจะแ บ, บื้ท่อนไม้ไอ้ท่อนหนึ่งเล็กๆท่อนหนึ่งใหญ่ๆ ที่งท่อนเล็กแล้วตจะแบกเอาท่อนใหญ่เนึกว่ามันจะเบานี่ความคิดขนาดนี้ไม่รุ่นเครื่องในไปแบกเอาท่อนใหญ่ๆมันก็ยิ่งหนักกว่าท่อนมันเล็กอย่าี้ลูกเราเกิดเมือมันโตขึ้นมาขนานหนึ่งเด็กๆมันไม่กลัวในสไลด์รถยนต์มันกลัวถามกินข้าวกับขวดเมื่อมันโตขึ้นมาเนี่ยมันถามารถมอเตอร์ไซค์มันถามารถเก๋งอือเอาหละไอความรักลูก จะปฏิเสธไม่ได้ต้องพยายามหามันยิ่งกูไม่เมียิ่งทุกข์แม่เห็นอะไรดีๆอยากจะชื่อมากินกันก็นกนดัาบาตรวมมันจะหมดรว ม, มันจะสิ้นเก็บเป็นสังขุตต้องหอบต้องหิวอยูนะ่นั่นถ้าไม่ให้มันก็เป็นลูกลักแบบนี้บางทีพ่อกับแม่ทะเลาะกันอย่าเพิ่งชื่อให้มันเลยรถเนี่ยมันยังไม่มีไอความรักลูกต้องไปกู้คนไปยืมคนเข้ามา สมัยอย่างต่อขึ้นม า, ามัานก็มีการศึกษาเราเรียนถ้าเอาการศึกษาเราเรียนเนี่ยมันถ้ามันเรียนจบนี่มันก็มันจะสบายครับไอเรียนมันจบ ไ, ไ, ม, จจบ ไ, ไม่เป็นหรอกมึงจะจบอะไรเนี่ยมันเรียนมึงไม่ยจบหรอกคงเรียนสิ่งที่ว่ามันไม่จบมึงจะจบอะไรือเรียนมันไม่จบอะไรเราไม่มีเรียนจบหรอกทางพุทธศาสตร์นี่เรียนจบอืมศาสตร์ทางนอกมันเรียนต่อ ต่อไปต่อไปในี่ไหนต่อเรียนในจบเอาไปมากัเลยวุ่นทั้งนั้นเนี่ยบ้านเรียนตั้งีคนห้าคนตายอมพ่อแม่นทะเลาะกันไม่มีวันเล่นแล้วอย่างนั้นอย่างไอ้ความทุกข์อันนี้มันเกิดมาภายหลังที่เรานึกมันไม่เห็นนึกว่ามันจะไม่เป็นอย่างนี้เมื่อมันมาถึงเท่าแล้วก็เลี้ยงภูรู้จักว่ามันทุกข์ ทุกอย่างนั้นก็เราเราจะมองเห็นยากทุกในตัวของดายม์นะเอาพูดตามภาษาตอนนอกแล้วเนาะเหมนแขนเขานั่นเนาะบอไม่ออกสงายเนาะอืมเข้าไปดิ้งอ้วนดิ้อนด้อู้ทานข้าวหรือยังเนี่ยเมาชน่มัน้าอืมไปหอด้านก็ไปยิงสินนองรองนองว่าหนังดีเนาะี้ชูเข่าในบนเ้า ไปไปไปชอบกระดูเจ้าของไม่รู้เรื่องอีกอายุพอหกสิบปีมันโยกดูจิมันโยกฟันมันโยกเอาดิเออเอาดิจะให้กินข้าวหนังตามันไหลมันถูกสอบถูกเผาก็ทุกเวลาฟันมันมันเจ็บมันบวดมันทุกข์มันยากมันลาบากมีอาตมาผ่านมาแล้วถอนลงหมดถอนอนี้ฟันปลอมมันล มันโยกม็นสบายสิบหกชี้อนทีเดียวเลยเก็บใจมันมองอไม่ตล้าจะถอนในสิบหกชีถอนเถ้ะโยมถอนถอนมันเป็นตา ย, ตาายจะมาจะรับรองอะไรห้อกถอนมันออกสิบหกชีกองเลยถอนทีเดียวอย่างเงี้ถอนมันออกไอ้ที่มันแน่นอยู่หลายเรี่ยมเป็นห้าเรี่ยมมันแน่นที่สุดอ่ะแต่ว่ามันเต็มทีนะโยมนะถอ น, นอแล้วไม่ได้ทานข้าวกันท้าอยู่สองสามวันมีแต่เลือด ถูกอาจจะมากคิดเอ้ยตั้งแต่ก่อนเนาะเอาดิบไปได้งูได้ปวยเนาะเอาทานไปมาถูมันรักคันได้เกิน <c oughs> นึกว่ามันเป็นของดีพ้นที่สุดมันจะออกนี้จะเราเกลับตา ย, เ, เ, กตายเก็บปันมาอีกต่างหลายเดือนหลายปีใช่เนี่ยวางทีมันรวมทั้งทางล่างทางบนหมดท่านในโลกนั่นอ า, ามารย์มาพยายามถอนมันอันนี้คงจะเจอทุกคนเนาะ พวกที่ฟันยังไม่โยกอืเอาแปรงไปไปไ ป, ไปแปรงมันอยู่ให้มันสะอาดสวยงามอยู่นั่นแหละระวังนะระวังมันจะเล่นงานเราเมื่อสุดท้ายไอ้ชีกนี่มันยาวไอ้ชีกนี่มันสั้นมันสลับกันอย่างนี้ทุกหลายโยกอันนี้ทุกมากอันนี้บอกไปหลับบางทีจะไปเจอเอา้าว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 จะเอาเอาหมอฟันมาดูผอฟันแก้ไขถึงแก้ไขล้วก็อยุดกันไงต่อไปไอหมอฟันเองก็เป็นมื่อวันกันเราอีกล่ะไปไม่ไห้อีกแล้วทุกอย่างมันต้องพังไปดปวยกันทั้งหมดอันนี้เป็นความจำเป็นที่เราจะต้องพิจารณาและรีบเมื่อมีกำลังเลี้ยวแรงเราพักันรีบะจะทำบุญสุนทานจะทำอะไรต่อรีบทำกันจ้ะแต่ว่าโดยมากคนเราจะไปหมอบให้กับคนแก่ อ, อยากเข้าวัดศึกษาธรรมะเออให้มันแก่เถอะก่อนโยมผู้หญิงสมควรการโยมผู้ชายสมควรการให้แก่เถอะก่อนเธอไม่รู้ว่าอะไรไอ้คนแก่มันมีกำลังดีไหต้องไปวิ่งแข่งกับคนหนุ่มๆสิทำไมจะไปโมกในคนแก่คนแก่แบกไม่รู้จักตายเพราแก่กันมาตั้งห้าสี่ปีหกสี่ปีจนจะเข้าวัดอีแล้วหูตึงซะแล้วเนีหูตึงซะแล้วค <c oughs> วามจําจก็ไม่มีซะแล้วออื นั่งไปในปนกันละ่ะยายไปวัดน์เจอโอ้ยหูฉันไม่ดีซะแล้วน่ะเห็นหมหแต่หูดีเอาไปฟังอะไรอยู่นั่นอะ่ะจังว่าจังว่าท่าใจบอกว่าอยู่หันแดอแต่ตอนนอ้นจนหูมันหมดซะแล้วละจะไปวัดแต่ก็ไปไม่ได้อืมไปนั่งไปนั่งฟังพระสันเทศไม่รู้สันเทศอะไรไม่รู้เรื่องมันหมดแล้วอืมแล้วจึงทำกันนังนั้ น, น, นวันนี้คงจะได้ประโยชน์กับบุคคลที่สนใจ เป็นบางอย่างบางสิ่งควรเก็บไว้ในใจของเราสิ่งทั้งหลายนี่เป็นโมระโรคของเราทั้งนั้นแหละอยู่กับเราทุกคนทุกคนอย่างนี้นนเนีน่ยทั้งพระทั้งเนมทั้งผู้หญิงผู้ชายเรา อ, อยู่นี่มันจะรวมมาจะรวมมาให้เราแบกมั้เนี่ยขาเนี่ยเรามันมันเรามันวิ่งอะไสมัยก่อนในกองอยางขาจะมาเนี่ยเอยจะเดินมันไปหนักเลยเนี่ยสกุลร่ า, างกายเนี่ยจะต้องแบกมั น, นแต่พอมันแบกเรา วันที่เราแบกมันลุกขึ้นโอ้เห็นคนแก่ๆใช่ไหมเป็นเด็กคนแก่ๆลุกขึ้นบะอ้ยนั่งนุกโอวยก็ยังไม่ยอมนขนาดนั้นนั่งลุกโอวยลุกขึ้นอวยอ้ยทั้งนั้นน่ยไม่รู้อะไรทําเราไม่รู้เรื่องนี่เด้ออยอยทั้งนั้นเนีะมันทุกข์ทึกขนาดนั้นเรายังไม่เห็นเห็นโทษมันเมื่อเราจะนี้จากมันไม่ไม่ไม่ไม่รู้จักอวยอวย ถามันเก็บปนเปื้นถึงมาเผยเนื้สังขารมันเป็นไปตามเรื่องของมันปะเอ้ยมันเด่นเนี่ยมันเป็นปนลงปนลงไฟปนลงขอปนลงหมอพ่นดุ๊กที่ป้าท่าหมอเอายามาใส่เนี่ยเขไม่ถูกพ้นที่สุดตะพังไปทางหมอเอี่ไม่ได้อยู่แล้วนี่คือสังขารมันเสื่อมมันเป็นไปตามสภาพของมันมันจะเป็นของมันอยู่อย่างนั้นอันนี้เป็นเรื่องของธรรมชาติมันฉะนั้นให้ญาติพี่น้องเราให้พากันเห็น ถ้าเห็นเนี่ยมันก็จะไม่เป็นไรยางงูอจรพิษตัวไรลายมันเลื่อยไปอยู่นี่ยถ้าเราเห็นมันก่อนเนี่ยก็นี้นี่มันเลยขาดใจเราเพราะเราเห็นมันระวังมนันแต่ถ้าเราไม่เห็นมันเดินเดินไปไปเหยียบมันก่อนจะมุดตัดเดินอื ม, อมชิ้นที่ว่าสังขารนี่มันเสื่อมได้เด็ดเดียมตัวไว้หาที่พึ่งวว้อะไรว้นี่อ่า อ, อ่เป็นอย่างนั้นที่นี่เข้ามาวัดก็มีความหมายถ้าเรารู้จัก ยังเข้ามาวัดมีความหมายหรอมีแอารถบรรทุกเอาลูกเอาหลานมาร้องในวัดเออนะ อ, อืม อ, อั น, น, นก็เป็นอย่างเงี้ยไปเล่นกันไปเที่ยวเล่นกันจะเป็นเด็กก็เล่นทำบุญเพ่งเพ่เเมาเด็ปฏิบัติในั่งจะมาที่งี้ยไม่ได้หรอฮะไม่ด้ไม่ได้จะมากราบพระทำวัดสวนโอ้ยขวดหลังขวดเอวไงพวกทำวัดเออเปนั่ สู่บุดีกันอยู่โน้นรอบๆสารานุบุดีในที่ควรสู่อนั้นในรายที่เรามาทำอะไรมาวัดเมืออ่อญาติโยมเขาทำมากรจะมากรามาไหว้คอยมาดีมาอะรหัง่งธรรมมาสมบูโมมบรโตกะว่าจะถึงเสด็ไม่เห็นเลยเห็นไม่ชอบปฏิบัติแต่ชอบทําบุญชอบเอาเข้าวปลาอาหารมาเรียงส ะ, ะเสมือนแต่เรียงเอานั่นแหละลูกศิษย์พระลังเขาจะบอกว่าเออคนไทยทชอบทาบุญกันแต่ไม่ชอบปฏิบัติ อาจมาเอาใจฟังเขถูกฟังเขานะจะอยู่กับเขาที่ปฏิบัติมาพุกเอาบอกเขามานั่งสามสิบสี่สิบคนก็มาตังมานั่งนั่งรับเข้านั่งสมาธิเลยศีลอย่าพึ่งไปว่ามันเลยพวกมันนอกมันไม่รู้จักศีลจักสารแล้วมันไม่รู้จักอะไรมันรู้จักใจใจมันร้อนพิธีการของเราเดี๋ไปประกาศศาสนามังนอกไปพิธีทำให้จิตมันสงบสันต์ก่อนมันจะค่อยๆรู้เรื่องไป ไอ้พวกเรามันมีหาความสงบไม่ได้มันหาแต่เรื่องกินกันอยู่บ้านแล้วกินตันมาวัดออกมาดิ้เลี้ยงกันไม่ได้เรื่องอะไรเลยมาล้างเ่ถ้วยเ่จานนัอะละกินกันลลลลแล้วแย่ไปกันทัหมดเราสังเกตเออคนไทยดีกว่ดีชอบทําบุญแต่ไม่ชอบปฏิบัติ <c oughs> นั่งสมาธิไม่ได้ไม่ไถึงนาทีหรือกลัวจะเจ็บปวดคือมันไม่ชอบเอยไม่เคยทำเรืียกว่าไปจ้าเนี่ยเป็นอย่างนั้นเคยเป็นอย่างนั้น อืไม่รู้จกักทามันทุกข์มาแล้วไม่รู้ว่าจะจะไปเจ็บจะไปคล้องไข่ข า, ท, าทุกข์ ห, หรือจะไปแก้ตรงไห น, นคืออยากแจ้ า, าอาวาสมห้มันทุกข์เฉยๆแต่นั่นมาเห้มันทุกข์ไม่รู้จกทางแก้ไขมันเนี่ยแล้วก็อยู่ปะอยู่ไปอยู่ไปอยู่ไปนี่อยู่ไปจนถึงวันแก่ อ, อวันแก่แล้ววันเจ็บีไงมันจะตายแล้วภาษาบโบราณเ้าบอกว่า เ ม, มเมื่อมันเมื่อมันเ็บบรรไคมาชวนในโรงไม้ใจจักาดให้ขาไปทักใกล้ใกล้ของผู้คนแก่กระซิบบากพุทธโธพุทธโธพุทธโธมันจะเอาอะไรพุทธโธเนี่ยคนมันนอนในกองไฟมันจะพุทธโธอะไรเริมเริ่มแต่เมื่อยังเป็นหนุ่มเป็นสาวอายุตุ่นตุ่นทำไมไม่เรียนพุทธโธให้มันรู้หายใจ ปิดบัางไป่ปิดบ้างแม่แม่พูดโธพูดโธรา่างกายจะตายไปแล้วนี่ยจะว่าอะไรอีกไม่ว่ามันเหนื่อยออย่าไปว่ามั น, นยมันหลายเรื่องโยมนะเอาแค่นั้นได้มันสบายดูโยมมัชอบไม่ง่ายชอบแต่ต้นกับปลายมันตั้งทงกลางมันเคอเอาแอ้วชอบแต่อย่างเงิ น, น, นตลอดบริษัทบริวารพวกเราทั้งหลายทุกวันนี้ทั้งพระทั้งเนรทั้งญาติทั้งโ ย, งยงมก็เหมือนกันนะชอบจะทําอย่างนั้น ไม่รู้จักแก้ไขภายในจิตทังเจ้าขอ ง, องไม่รู้จักที่พึ่งของเราจ ะ, ะโกรธง่ายแล้วก็อยากหลายพ่ออืมทําไมคือคนไม่มีที่พึ่งทางใจเนี่ยอื ม, อ, มอยู่ในคราว่าครอบครัวกันยี่สิบปีสามสิบปีสี่สิบปีก็กําลังแรงก่อนพ่อว้านแม่ว่านจะคอยพูดพูดดูเรื่องกันดอกในห้าสิบปีขึ้นไปจะพูดไปดูเรื่องกนันเละเดี๋ยวก็นั่งหันหลังกันเนาะแม่ว่านพูดไปพ่อว่าน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 ถ้าเรานั่งอย่างนี้มันจะเป็นยังไงเรานั่งไม่มีอะไรครอบปรากับขอโทษได้ถ้าเรานั่งเข้าอะไรมาครอบลงมือที่ว่าครอบแล้วนี่มันจะเป็นยังไงครอบก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยเป็นอย่างนั้นมันมันมีวงจํากัดแยกค่ะครอบผู้ชายก็มีวงจํากัดผู้หญิงมีวงจํากัดแนี่ยครอบอาตมาไปอ่านที่มาครอบตัวโอ้ยน่าแกลบสับตายจับนินไปใจอจับนินเด่นคือครอบครอบสั์ที่ว่าครอบนี่ อืมอ่าสับทุกีไ ป, ไปไม่ได้มันมีวงจำกัดเนี่ยเนี่ตอไปครอบครัวอ้าวนี่ครัวกไม้เปการครอบครัวเนี่ยทิ่มแทงแล้วนะโยมผู้หญิงเคยเข้าครัวไมเคยเคยโขลกพริกไมเคยขวัวพริกแห้งไหมไอาจามกันทั้งบ้านเลย่มันมันมันวุ่นนี่เข้าไปครัวไม่น่าอยู่หรอกอสับโน้นสับนี ว, นวุ่นนี่เรีกวครัวนี่เรียกว่าสับแบบครอบครัว อาจจะมาอาศัยสองสับนี้แหละถึงวอดไปจิกครอบกลัวหน้ากัวถังถังไว้เอาอะไรไปครอบไว้จะไปที่ไหนก็ไม่ได้น้ำมาร์คครัวไม้ตะการ่ทิ่มแทงเดือดดุกบังเดือดเงินเดือดทองบังเดือดเองินสารพัดอย่างมันทิ่มแทงเนี่ยน่ะนะไม่รู้จักจะไปที่ไหนมันถูกไปแล้วลูกหญิงต้งมีลูกชายต้งมีจะไปตัวห่วงอะไรเลยวุ่น ได้นั่งเียงกังนนนันแลจนายน่งไม่ต้องไปที่ไหนแล้เก็บใจขนาดได้ก็ไมาว่าน้ำตามันไหลงีออกไปไหลอยู่นั่นแล้เออมันไม่หมดน้ำตาโยงครอบครัวถ้าไันมีครอบครัวน้ำตามันหมดแก่นถ้ามีครอบครัวน้าตามันหมดยากมันหมดไม่ได้ถ้าโสดมาทุกวันดูที่น้ำตาโยมมีไหมไหลมาเ น, นบีบ มันบีบน้ำออกมามันต้องหีบอ้อยตายแห้งๆอุตส่าหทีปอกมาเป็นน้ำไหลออกมาไม่รู้ว่ามาจากไหนนี่ยมันเก็บใจมันแคนมันอันสพัดอย่างไม่รู้มันทุกข์ได้รวมทุกข์แต่มันบีบออกมาเป็นน้ำทุกข์อันนี้หฮโยมทางไหนทาใจเนี่ยถ้ายังไม่ผ่านมันจะผ่านอยู่ข้างหน้าบางคนอาจจะผ่านมาบ้างนะล่ะในเบสให้น้อย บางคนก็เต็มทีมันจะไปอยู่หรือจะไปนอจะอยู่หรือจะไปน อ, อ ย, อ, น อ, อ, อ, ยอมยิ้งเคยมาหาลุงพ่อลุงพอ่อแหมถ้าอีฉันไม่มีบุตรอีฉันจะไปซะแล้วเอออยู่นั่นแหละเรียนเนี่ยมันให้มันจบซะก่อนเรียนอยู่ตงนั้นแหละเรียนอยู่งนั้น อ, อ, อ, อ, อ, อ, อยากจะไปละ่ะอยากจะไป อ, อ, อยาจะอยู่นีขนาดนั้นมันก็ยังหนีไม่ได้อยู่วัดพระ วัดทำกติเรียกไปทั้งหลายเจ็ดิดแปดติหลังบางทีพระเนรมาบรรจุกาไปเต็มเดือดไ้สองสามหลังทางากติเรายังเลือดใช่ไหมบมีบ้างสอหลังออเออเจ็บไปเถอะบางทีพ่อบ้านในบ้านเขาทะเลาะ ก, กันเอาไว้เขานอนไปหน่อยหนึง <c oughs> นนน่งแนวมาแล้วนายนำนายนำยมผู้หญิงมามาแล้วสะพายของมาโยมายายมาเจ็ไหนมาา อีฉันเบื่อโลกโอุ๊ยอย่าว่ามันเลยอตมาตัวเลยเกินผู้ชายมาผมเบื่แล้วนะเนี่ยอยู่นั่ น, า น, นมาอยู่จะซ้อมตามวันก็นหายเบื่อไปอแล้วเอ้ยฉะนั้นโลกกัอตม า, ตมาตไมวุ่นวายเลยมันมากรู้ละรู้ต้นรู้ปลายมันฉะนั้นจิงมาอยู่อย่างนี้จิงมาอยู่อย่างนี้ยอมผู้หญิมาก็เบื่อโกหกเกี่ยวกับของยมผู้ชายมาก็เบื่อ ก็โง่จากพงไม่มีเบือ่อนแล้วอยากจไปนั่งกตีเล็กเมื่อได้นอแม่บ้านจะมาเรียกแล้วกลับนอเมื่อได้นอพ่อบ้านจะมาเรียกนอ อ, อะไรอย่างงมันเบื่อตายอย่างงมันโกรธมาเลยมันก็เบือ่อแล้วอืมเน่เยเลิกประกนีกแล้วเดีวมานั่งภาวนา น, นั่งมาเอออยู่ในบ้านเห็นหอะไมันเขาผิดทั้งนั้นแม่บ้านผิดทังนั้นพ่อบ้านผิดทั้งนั้น มานั่งภาวนาสามบ้านเออแม่บ้านเขาถูกเราผิดไปออออพ่อบ้านเขาถูกเราผิดนมันจะกลับมันเป็นยังไงมันเปลี่ยนตัวเองมานง่นนี่มันก็ไปเลยเท่านั้นแหละอันนี้ความจริงเป็นงื่อนนะอันนี้ความจริงของอาตมาหลักโยมไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงกันไปดูไหมนมีเวลาที่มันจะสบายนิดนึงนะดูดีๆเถอะดูดี ความเป็จริงถึงในครอบครัวที่เราหา้าไปในบ้านน่ะเป็นของหนักตัวทั้งนั้นไม่ใช่เป็นของไม่นัเป็นของหนักตัวมีลูกชาคนนึ่งลูกสาวคนหนึงเมื่อมันเด็กๆมากก็พูดเปนไทยเมื่อมันโตขึ้นมานิดนึ่งแม่จะพูดแต่มัอายว่าเขาเวยค่อยๆพูดขึ้นบันไดไปในมันลงไปทั้งนั้นอีกสักเดือนขาพูดแต่มันดีดๆก็ไม่ได้พูดจะพูดแรงก็ไม่ได้ อ, อ, อ้ายก็เ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 เอายอยๆเป็นมาทำไมมีอะไรเอาไปไหถามเรื่อยๆนะอืมถ้าใครถามนี่บ่อยๆมีปัญญาถ้าใครไม่ถามจะของอย่างนี้งูตรงนั้นนะอะเ้าใจไหมเอาละวันนี้นะอืมเทียร์ร้ายนคนเหนื่อยละบ้านเราก็อยู่ไกลนั่งหลายคนเหนื่อยสั้งสารตั่งตายนี่ทั้งแก่ทั้งหนุ่มเอาไปพิจารณาดูนะอะไรมันควรจะพิจารณาต่อเอามันไป อะไรควรจะทิ้งก็เอาระวังครอบครัวสองศัพท์นะศัพท์ครอบนหนึ่งศัพท์ครัวอันห่องศัพท์นี่มันศัพท์ตายแท้ๆนะระวังไม่ดีนะไม่เจ็บอย่าไปเพลินน่ะไม่ใช่ศัพท์เพลินนะศัพท์ทุกน่ะครอบ แ, บแบคบนะจนสอบมันมีวงจํากัดอืมเมื่อครอบปุ๊บเอาอะไรไปแทนไปที่ไปแทนสบายแล้นดูยังงี้ก็ง่ายๆไม่ต้องมากไม่ต้องยากอ่ะนี่แหละภาษานี่เนี่ย ภาษามันอยู่นอกคำพีมันอยู่นอกพระไกปิฎกแต่บามันอยู่ในพระไกปิฎกแะแต่คนไม่พบมันไปเปิดพระไกปิฎกไม่เห็นไปเปิดําพีไม่เห็นนี่จับของอ จ, จมาละจับสมรมท า, านอะครอบครัวอืครอบหมายถึงวงจำกัดครัวหมายถึงการต่อกวนที่มแทงเท่านี้อยู่ไปก่ ดูไปอีกให้โยมจำไว้ทุกคนบางทีที่มาฟังธรรมวันฑิตกลไปถึงบ้านอาจจะพบเย็นๆย็นมีกระดเนะเย็นๆอาจจะพบก็ได้ไม่นานไม่นานนะมันเกิดทุกวันถ้าเรามีสติอยู่มันมันจะลอยๆนึงนะนะบางทีเรามาฟังธรรมยืนอยู่เงียบๆนั่นมันลอยอยู่รถเมือ่อเราขึ้นรถก็ขึ้นรถเวลาไปเล ย, ขย เ, เลยข้าเลย เสร็งวันตัแสดงอาการึ้นมาเท่านั้นแหละออหลวงพ่อท่านว่าจริงของท่านหรืมั้งนี่ตาไม่ดีไม่เห็นนะมันต้องดูโดยตาทิพย์ตาเงื่อมันก็จะเห็นหรอกงันมันจะเห็นเนี่ยอ่าถ้าเราตั้งตั้งตั้งใจะเอาไปคิดิดทิิคิดจิตนะให้มันรู้จักให้มันรู้จักช้างมันมีงวงมันมีงามันมีขามันมีหางมันหลายอย่าง จะไปคำคือขามันนี่ว่าช่างมันก็ไม่ได้จะไปค ำ, คำคือจะหางมันนี่ว่าช่างมันก็ไม่ได้ช่างคือของทั้งหมดมันถึงเป็นช่างอไไ่านะอันนี้เอาให้เป็นการบ้านของโยมคุณหญิงคุณตายทุกคนเนอเรียนเราอยู่เรากำลังประเชิญในสิ่งทั้งหลายแล้วนี่อยู่เห็นถ้าใครตาีกไปานนี้ก็เนบางทีกลับไปบ้านนี่เนี่ก็พบละพบละไม่มากก็ต้องน้อยลองดูก็ได้เอาอแล้ว วันนี้อาจารย์มหาวิทยาลัยได้มีโอกาสมาสัมภาษณ์เพื่อเป็นประโยชน์สอนนักเรีย น, นักศึกษาในมหาวิทยาลัยของตนงต่อไปนี้มหาวิทยาลัยนี้เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐบาลมีนักศึกษาประมาณเ0 0 0 0หมคนที่จะไนศึกษาในมหาวิทยาลัยนี้อยู่พระมายวดปฏิบัติทางสุลงวัด ที่อยู่ในเมืองค่ายในภาคอีสานาจะถามหลวงอเรื่องการปฏิบัติในวัดป่ารื่องการกันอย่างไรปฏิบัติธรรมดาหรือวัดธรรมด้าขอให้อธิบายสักหน่อยเรื่องจนิงหรือจะเรีนสอนอเดิมวัดป่านี้ไม่ใ่ว่ามาตั้ง ปฏิบัติในปัจจุบันนี้ในครั้งพระพุทธเจ้าของเราท่านก็ อ, ออกบวชแล้วท่านจะอยู่ป่าป่านี้เป็นที่สงบเป็นที่วิเวสกสงบสงสดัดด้วยรูปเสียงข้างพวงและก็เป็นสถานที่สงควรบําเป็นสมณธรรมของพระสิสุสามเณร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 ลงมือปฏิบัติไม่ใช่พูดเฉยๆทาให้เห็นเหตุผลในคำสอนของพระพุทธเจ้าในวัดป่านี้ห่างบ้านประมาณยี่สิบห้าเนเป็นอย่างน้อยมีพระภิกษุสามเณรแสตปุสกายวาจาชีโตรงคขาวัดคือข้อปฏิบัติเชิงคัดเพื่อวันเทากิเดศ ทั้งหลายทีลาพะโทสะโทหะนี้ให้น้อยไปน้อยไปอืมจนกระทั่งสิ้่สุดฉะนั้นสถานที่วัดป่านี้เมื่อหากว่าเราไปอาศัยอยู่ในป่าก็เกิดความรู้สึกเมื่อคิดขึ้นหลายอย่างเมื่อปิดใจสมกแล้วรวมแล้วว่าสถานที่เป็นวัดปานั้นเป็นที่สงบระงับ จยากอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงเป็นสารที่สมควรที่จะบำเพ็ญให้ธรรมะให้บรรุธรรมะเกิดขึ้นได้โอคุณมิโมนให้หลงพออธิบายสักหน่อยเรื่องวัดสะโคงมันเป็นอย่างไรที่นั่นเราเรา ม, มีวัดสะโคงกับชาวบ้านวัดป่านี่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 เรวมแล้วว่าที่นั้นมีประโยชน์แกชาวบ้านมากทีเธอดียวคนไม่รู้จักพุทธศาสนะาก็ให้เป็นผู้รู้จักพุทธศาสนาดีขึ้นคนไม่รู้จักบุญไม่รู้จักบาปไม่รู้จักผิดไม่รู้จักโทกก็เข้ามาอ เ, มเอบรตั้งแต่ท่านขั้ญท่านต่ำไปหาขั้นสูงให้เกิดความเฉียวฉราด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 แบ่งบายมีเมตตาตระณาโมติามตาผู้เบคกขาชาวบ้านทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อรับความแ น, นมรระนำสอนสอนของพระวัดป่าแล้วก็มีความยินดีมีความกระเพิปฏิบัติดีขึ้นตอนวันพระก็นำไปทำสมท า, มสานํำระจิตใจ ให้จิรใจมั่นคงในคุณงามความดีข้อตนนะเอ้บางครางศึกษาึง ส, ง ส, ส, งสมัยก็มีแกต่างประเทศต่างเมืองไปศึกษาศึกษาโฆษณ า, ราเรื่องข้อประพฤติปฏิบัตินี้ส่วนพระเน 60, 70, รหกสิตเจิดสิบองชนี้ก็รับอุปถรัรมประทานจากชาวบ้าน การยินทบาทครบถันเพียงพีพไม่ลำบากตอนชตอเช้าก็เที่ยวยินทบาทตามชาวบา้านชาวบ้านก็ให้อาหารยิรทบาททุกรูเจนพอฉันไม่ลำบาแบบกได้เป็นโอกาสให้ญาติโยมทั้งหลายนั้น ป, ปฏิบัติไม่ให้เห็นเจือตัวเจือตนำทำปฏิบัติอย่าง เป็นประจำส่วนพระสิสุสัมมณีนก็ประพฤติธรรมวินัยที่เราเรียนมานั้นไม่เคยเลี่ยงเฉยมาปฏิบัติให้รู้ให้เห็นแนะนําสัสอนให้ตั้งอยู่ในข้อวัดปฏิบัติของพระเจ้าพระสงค์การินทบาตรเละกันยมีบาตรก็มีการสันยมีบาตรมือเดียวขันในบาทไม่ขันนอกบาท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 ตีนมงครึ่งถึงสองโงนอกนั้นต่อองค์พอวัดปฏิบัติธรรมยินในเพื่อจะให้รู้แจ้งเห็นจริงในธรรมที่ควรรูควรเห็นการปฏิบัติของพระวัดของส่องคนั้นมีหลายประการประชาชนทั้งหลายที่จะไปบวชในที่นั้นจะต้องให้เปนนากอยู่ประมาณเดือนหีือสองเดือนหนึ่งขาว พอสมควรแล้วประวดเป็นสามเณรห้างเป็นสามเณรมีศักดิ์พรรษาดีสองภรรษาเพื่อให้รู้ข้อวัดปฏิบัติเและสอนและชินอุปัชฌาย์สินพระบบพิสุทในพุทธศาสนาอย่างนี้เป็นข้อปฏิปาในที่วัดที่วัดในหะนองตะโพงนั้นสอนไม่เห็นแก่ตัวเช่นปัจใจสี่ทั้งหลาย ที่ญาติโยมสลายมาในทางพิก ษ, ษานุทิษทั้งหลายนั้นไม่เป็นของบุคคลเป็นของส่วนรวมเศียรพระเนรที่ไปอาศัยนั้นก็ให้ออื่ใช้เฉพาะพ อ, พอดีพอดีเทนั้นไม่เห็นแก่ตัวมากเป็นคนมักน้อยเป็นคนสันโดษยินดีตามมี้ตามได้อืมในเอกราศจะมาเกิดขึ้นมา จะไปร้ through, เรื่องอยอมชาวพุทธในเมือง่าทงทยทุกวันนี้เป็นอย่างไร่ในการปฏิบัติพุทธศาสนานะราะว่าโยมจะได้ยินว่าสมัยนี้คนไทยเพิ่มากก็คือว่าถ้าจะปฏิบัติจะแต่งวเป็นพระและ้ะมองให้เป็นภาระเป็นหน้าที่ของข้ามนั้นได้เป็ น, น, น, น, น, นที่ยอมทําท่านั้นคือถวายทานกรณีพ้คนคือได้ยินว่าคนไทยเพิ่มมากก็คืออย่างนั้น อ, า, อาเยายเซรลเนี่ยซึ่งวันนี้ในเมืองไทยคนไายมีศรัทธาปฏิษาษาบัษาษาติทางพระพุทธศาสนาหรือมีทำเป็นประเทศนี้เลิกเห็นว่านาทีของเขาเองคือถวายทานแคนั้นเพราะปฏิบายัติอ่าอันนี้เป็นบางส่วนอาอันนี้ก็เป็นบางส่วนเดิมมากในเมืองไทยนี้ เขาเรียกว่าเขาปฏิบัติโดยมากเพื่อเอาสวรรค์กันไจ้าหยมากโดยมากอยากจะมีเระการให้ทานอุปถัมภ์พระให้ทานแต่มันจะเสื่อมไปบ้างมันจะเกิดมีสิ่งดีดีจองมากขึ้นทุกวันนี้เินนนั้นแต่ก็ยังมีบุคคลส่วนหนึ่ง ยังยั่งยิย่อยู่ในครอบปฏิบัติจริงๆอันนี้ก็มากเหมือนกันแต่ว่าโดยมากคนไทยนั่นจะมีความรู้ในทางพุทธศาสนาเคยๆในการปฏิบัติสมฐานจริงจังนั้นน้อยที่สุดน้อยที่สุดแต่ข้อในการประพฤติปฏิบัตินี้ เขาจะเห็นว่านักบวชคือพระนี้เป็นผู้ปฏิบัติโดยตรงญาติเยอะเป็นผู้อุปสมปบทาช่วยเครือภูนบำรงุงผู้ประพฤติปฏิบัติอย่างนี้โดยมากในวันพระนิยอมบายวัืมีคนยอมยอมที่บายวัดในวันพระเพื่อมากบายวัตเพื่อจะปฏิบัติทนทุกข์บายพระนิจจารเรื่อ บ, บายวัดเพื่อเป็นตุคณีของคนไทยที่จะ ในวัดทวายทานตอนเทศในวันนั้เป็นอย่างไรเป็นบางคนบางคนที่มีสัญญาชอบปฏิบัติเพื่อจะให้ไปปฏิภาณต่อคนทุกงผู้ข้าใจในธรรมะในพุทธศาสนาดีแล้วบางคนก็ปฏิบัติไปเพื่อเอาบุญกันเอาหาความสุกกันมันมีคนสองจำพวกอันนี้อมีนคนสองจำพวก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 ครูก็จะสอนให้ขยันมานเรียนสอนให้ต้องขึ้ปฏิบัติ ด, ดีทั้งนั้นแต่นักเรียนก็อยากจะดีทั้งนั้นแต่โดยมากไม่มีใครจะเอาใจใส่ในการเรียนในการปฏิบัติ บ, ตบางกลุ่มเป็นอย่างนั้นบางกลุ่มก็เอาใจใส่ ป, ปฏิบัติตามให้รู้ร่วมสารความประสงค์ของตอนเองจะได้เป็นอยู่อย่างนี้โลกเป็นอย่างนี้ชาวพุทธแค่ที่แค่เริงคือพระภิกษุหรืออะไรก็เป็นอย่างไร ชาพุทธอย่างแท้จริงเป็นย่งนยังไงชาพุทธอย่างแท้จริงก็คือเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจา้าจะเป็นพระก็ตามจะเป็นเครื่ออัดอย่างนั้นก็ตามมีความมุ่งหมายที่จ ะ, ะพุทธตามคําสอนของพระพุทธเจา้าโดยตรงไปตรงมาแล้วอ น, นั่นคือาชาพุทธไอ้พวกที่ชื่อวาชาวพุทธแต่ไม่ทำตามคําสอนของพระพุทธเจ้านั้น ก็ไม่ใช่สิ่นชาพุทธเป็นชาวพุทธแต่ชื่เเอเฉยๆเยอะเงินกัน อ, อยู่ที่วัดบางปมปฏิบัติอย่างไรนันสมานที่นานนานอะไรเร่องกาปฏิบัติเน่ยเ่อจบันสมานทจะมีปฏิบัติแ่ย่งนหรือไมนปฏิบัติธรรมพระวัดบางปมเนี่ วิธีการปฏิบัติ n ั้นดังชาติจะมารวมเป็นอลี่ม2สองศา30องศา40องศา5สองศิฉนวนอันนี้จะเป็นเพียงรวมเพื่อฝึกคนใหม่ๆยังไม่รู้วิธีการจะมารวมกันเป็นกลุ่อใหญ่นี่ตัวหนึ่งทีนี่ก็เมื่อแยกกันแล้วให้ออกมา ทำเปลี่ยนตัวจะทําเวลาไหนก็ได้แต่ทําเปลี่ยนตัวเขึ้นข่าวเวลามาเป็นกลุ่มกันจะเป็นกลุ่มเพื่อเร็วแต่แล้จะเป็นเปลี่ยนตัวทําอย่างนี้วิถีธรรมของวัดของกรนะของนาะคือให้เป็นคนที่มันน้อยเป็นคนกินน้อยเป็นคนนอนน้อยเป็นคนยินดีในของที่มีอยู่ยินดี ตัดใจตามมีกามได้ไม่ให้วุ่นวายอืมคือการปฏิบัติเังซึ่เองปสังรปฏิบัติเองนะแล้วที่การสปฏิบัติเอแต่อันนี้เป็นเป็นเป็นเครื่องอุปกรณ์ที่ปฏิบัติท่นั้นนอกจากนั้นตายเมื่อระดูแลไม่มีผลจะให้โอกาสออกชดเวิมทำที่ระบาไกระดงนี้ก็คือมีบาตมีจีวรออกไป แต้ละองค์ององคตามปาตูขาไปอยู่ตามป่าทาอยู่ตามปาา่าไม้อยู่ตามภูขาต้งดนะเพื่อจมาจิตอือศึกษาตามธรรมธาฤาฤชาติสอนในรักษาธรรมชาติไวสอนใน้รูงของธรรมชาติและจักรีธรรมชาติแม่ธรรมดัวตนนี้เจ้จิตของเรา เมื่อจิตของเราเป็นธรรมชาติแล้วมีความละเอยีดอยดเชิงลายเป็นไม้คินชาตยหญ้ามันเหมือนกับเราไนดะ้ที่เรียอย่างนี้ใ้ปัญญาเตอมกอารปฏิบัติในวัดสงฆกธรรมนั้นเมื่อราดูแลไม่มีฝนก็ให้โอกอากาออกเสียดเฉ มีบาทมีมีวรออกเที 35, 65, ่อวเดินไปอยู่ตามป่าช้าตามภูเขาตามป่าชัดคือไหนสงบจะเป็นสิ่นั้นอืเพื่อปฏิบัติธรระอันนี้ให้พัดขึ้นสอนในรับธรรมชาติสอนในดูธรมชาติเาธรรมชาติจริงจริงผู้ศึกษาเห็นธรมชาตนั้นเกิดขึ้นแล้วมันจะคงอยู่ แล้วอัน็นบรรจัยไม่ใชธรรมชาติเช่นนั้นหยุดขี้สงบไปรเรื่อยกเหตหน่ามนุษย์ในนี้ผเป็นสอนนะมีจัเกิด์คิดแล้วและประสงค์ตัวกันอยู่เรื่องรรัระดาบไทอย่างนั้นอันนี้เพราะนจะเปน็นมีจังศึคขังอนาจารย์อย่างนั้นหยุดกระาคิดเอ่ดยมากพระสมถานพระสงฆ์ญาติปานโดยมา ก, ามาาามากไม่ได้ศึกษาตามนังสี ไม่ได้บทเรียนตามหนังสือเลยนะเรียนอาการที่นันเกิดในจิตนี้ฮะความจริงอย่างทขาเขียนว่าอันนั้นเป็นหน้าแม่รู้ว่าชื่อมันจะเก๋จังเดินไปดูมากจริงจริงอันนั้นเขาว่าเสือวามตัวหนังสือเ พ, อพราะปฏิบัตินี้สองศึกษาต้องเดินไปดูตัวเสือจริงจริง อันนันเราจพบเพาะวินาทีสั้นแต่ฮทุกนิจมันเห็นว่าทุกริจเมื่อเห็นว่าทุกแล้วมันจะในสั่งความทุกเปนมาแล้วถ้าไอ่านตามงงหนัง e สือก็เห็นว่าทุกจะใจมันในทุกมัคือมันในเรื่องตัวทุกถ้าไปดูแบบนี้สั่งที่สั้นแต่เรื่ตัวทุกเมื่อเห็นทึงจะเป็นเรือมันเป็นนีเรื่องนศึกษ้าตามหนังสือนี้โดยมากเม่ถึงใจเห็นว่าเป็นทุก ตอ น, นี้่ความดเป็นเรื่องต่นน้เรื่องความคิดถ้าสมมติถ้ามีเรื่องจ่ายอย่างนั้นคิดจา่ายนั้นมันจติตเยบเในทางความคิดทางกายทางวาจาต่อไวันนั้นต่อไปแล้วนี่เจจ้ื่งคิจดจ่ายทางจิตความเวลานี่ความนทุกเรือ่องไรนะถ้าเราเรืทุกเรนะ่างเออ เราเริ so in alive, in fact, so in in in ่มทุกเปอย่างไร้เราป็นบว่าที่ามามิใทุกเป็นอย่างไรใครมีทกหมไม่รู็อไฮะเเออปถามขดีไม่รู้จ่ออันนี้มันมีอยู่ด้ทุกมีอยู่แล้วจะไปถามขดียังไม่รู้ตัวเราไยังไม่รู้วทุกเป็นอย่างไรมีทุกอยู่กัยังไม่รู้แต่ทุกเป็นอย่างไรันนี้ เป็นปัญหาที่จะต้องถามในมแต่ของเท่าหว่เแต่ของจะมีทุกอย่างแล้วลในาทากริก็ปิิเราอฏิบในความคเดอย่างนี้นอย่างนี้นแล้วเิบว่ า, า, าวขเอมอย่างนี้นอย่างน้นือเนื้อต้อ ง, กองยกขึ้นเนื้อกรจายแต่ของเราถ้าเรายกขึ้น ข า, าก็ที่ทุกข์เพราะตัน่นขน อ, อย่างนี้เพราะตัน่นขนอยนี้อะไรจี่เกิดเป็นทุทกข์เพราะตาร น, นั้นมีมันแื่ใครไม่รู้การนั้นมีตาเมเป็นจริงว่ากานั้นมีของมันแตกเมื่อมันแตกแล้วมันเป็นทุกข์พอระเยึดทุกข์เกิดเพราะเราไปยึดดในนี้ว่าเป็นของเร า, าเราเข้าใจว่านี่เป็นของเรานี่เราเป็นเจ้าของ เมื่อเมื่อไก่น้ามันแตกไปใครทุกขเราทุกข์หรืน้ามันทุกข์เราเป็นอะไที่เกิดจากผู้รทั่งและได้สั่งอะไรที่ที่ที่ทุกข์ได้เพราะที่สั่งหรือในที่เมื่อยู่ตรงนี้มันทุกเกิดตรงนี้ดับทุกข์ดับตรงนี้ เกิดนี้ทุกในใจมีสิฝนอันนั้นเป็นอยู่เกิดตรงนั้นขนเกิดตรงนี้ดังนั้นเร็พุทธเจ้าท่านจึงไม่ยึดมั่นถือมันว่าเป็นของจริงจังทางเจ้าของใรทางของของขอะไรเด็กพุทธเจ้าน้ำมันตาจนจะสาสนเอืน่นเพราะมีคำสอนเรืออ น, นัตตานไม่มีเชือ่อมโยงก็ห้กนอยากเรียนรู้ในมีอ น, นัตตาให มีความหมายอะไรเพราะว่าถ้าเราทำอะไรนาะทีของเราเราทงานเราทำอะไรใรเป็นคนทอะไรเป็นคนทางานอะไรเป็นคนชื่ออะไรเป็นคนขกข้าอะไรอย่างนั้นถ้าไม่ถ้าแะไมาไม่มีตัหนึ่งเป็ออะไรเป็นสื่สร้างโลกอะไรเป็นสือทำลายอะไรเป็นสื่ออยู่ในโลกนี้ตัวตนนี่อัตตาอันตานีเป็นเป็นคำอธิบายยากมาก ค่อยๆตัณฑ์มาในอนัตตานี้อนัตตานี้เป็นเรื่องมีผลมากเป็นเรื่องสร้างเป็นให้เดินได้ดีมากอ น, านัตตาทำงานสบายมากทําอะไรสบายมากอ น, านัตตาอนัตตานี้มันเป็นสัตที่อยู่เหนือโลกเป็นสัตที่อยู่เหนือโลกเลิกฟังไม่ออก เพราะเป็นศัพท์โกุรศัพทรเป็นศัพท์เหนือนโลกฉะนั้นการจะรู้อนัตตานี้จะรู้จะต้องรู้เหตุการณ์ปฏิติถ้าเราไปคิดอนาาัตตานีเสื่อมหรสีสามมันจะตายอนัตตานี้เป็นศัพทีเหนือนโลกถ้าวันนี้นนครัคผู้ทีฟังก็คงไม่เข้าใจขร้นแต่ว่าเข้าใจพอเล่า เพราะว่าอนัตตานี้มันจะไม่เขา้าใจเพราะคนอืพูดในฟังเนี่ยอ่ะอนัตตาอยู่ตรงนี้อาจารย์มันติดอยู่ตรง น, นี้มองเห็นอาจามันติดอยู่จะต้องเปิดแบบนี้เป็นอ น, าานาัตตาความไม่รู้ตามเป็นจริงแล้วตดอยู่อย่างนี้มืดอยู่มองไม่เห็นใบล่างแต่กระดูนั่นเนี่ยใบทางล่างดูว่ามันหนึ่ เพราะอะไรเพราะอันนี้ันิดอยู่นี่แก้วเปิดอ น, นี่ออกมีเแก้วมีใบหนึ่งทั้งนั้นถ้าอันนี้ติดอยู่แ ล, แล้วมองดูนี่ไม่ด เ, เราก็ไม่คอยใจว่านี่แก้วอะไรอยู่ข้างล่างนี้พาควไม่รู้ว่าอยู่ข้างบนนี้ถ้าเราพูไปพฤดไปปฏิบัติตามเป็นจริงอัญญาเกิดอท้งแล้วมันจะเหมือนเปิดเป็นเดียวจะเป็นสองสองอย่างนี่เป็นอนัตตานี่เป็นอัตตานี่เป็นอนัตตา อย่างนี้อนัตานั้นนั่นก็เป็นอนัตตาอยู่อนัตตาเนี่แต่อัตตามันติดอยู่ถ้าโยมเห็นอนัตตาแล้วยโยมจะไม่ทุกข์จะมีความสุขความหลงจะมีความทุกข์ความหลงจะได้ขอมาจะมีดีใจขอนันจะหายไปเป็นวทุกข์ในเสียใจ อันนี้เรามันเกิดาะหน้าานี้แบบนี้สุดทุกอารมณ์เป็นสุดกระทุ้งอารมณ์เป็นทุกกระทุ้นี้เพราะมัเป็นแบนี้ก็เพราะว่าอน้าตานี้ไม่เป็ตัวตนเราไม่มีตัวตนเราแต่เราไปจับอน้าตามา้เป็นตัวตนเราถ้าเราตัวตนไปจริงๆเนี่มาเห็นมันเจ็ดได้ไหมมาเห็นมันเจ๋อได้มหมมาเห้มันตายได้ไหมไม่ได้ถ้ามันไม่ได้มันก็ไม่ใช่ตัวสิน ถ้าตัวเราจนเพียงแ อ, อ, อย่างนี้อยาเต็มไปอย่างนั้นไอเพียงอยู่อย่างนี้มันก็ต้องอยู่ที่ปัะตัวต น, นเราอันนี้ ก, ก, นนก็เลยยากแก่นันมันจะแก่